ไม่เอาอีกแล้วนะทิ้งอีกแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยนะเข็ด จ, จนตายเหมือโทษของการเกิดนะก็ผู้ที่เขามีบุญบอกโอ้เกิดก็เห็สนุกดีเห็นมีอะไรอีเหงือนกันนะเออตอนมีบุญเนี่ยตอนหมดบุญจะรู้สึกเหมือนกันหมดบุญตรงไหนเดือดร้อนตรงนั้นแหละนะหมดบุญที่ฟันฟันก็ปวด <c oughs> หมดบุญที่หูหูก็ปวดอีกนะหมดบุญที่คอคอก็เจ็บหมดบุญที่หัวหัวก็ปวดเห็นไโอ้หมดบุญตรงไหนตรงนั้นเดือดร้อนหมดแล้นะ เพราะหมายความว่าถ้าหมดบุญตรงไหนก็บาปมันก็เข้ามาแทนนะั้นบาปเล่นงานตรงไหนเดือดร้อนหมดเนี่ยนะมันตอนเป็นตอนมีผลของบุญก็ตันหาก็เพลินตอนบาปให้ผลก็มัวแต่โง่<ม>ก็เลยงโ<ม> ง, ง่กับเพลินสลับคร่าเข้ากันไปวัตตะมันก็ยาวเหมือนกันตอนนี้แหลวะวัตตะเนี่ยนะมันเราก็ผ่านไปสองสูตรให ญ, ใหญ่สองสูตรก็คือสูตรว่าด้วยสังกิเลสะพากยะสูตรกับวาสนาภากิยสูตร ในมขึ้นนิเพทะภาคิยสูตรสูตรว่าด้วยการชำรกกิเลสเป็นเหตุให้บรรลุมัติผลพระองค์ตรัสเป็นคถาว่าบุคคล น, นั้นพ้นแล้วในธาตุทั้งปวงคือพ้นจากธาตุทั้งรูปธาตุและอรูปธาตุทั้งเบื้องบนและกรมธาตุเบื้องล่างไม่เห็นว่าหมู่ขันนี้เป็นของเราผู้พ้นแล้วอย่างนี้ได้ข้ามโอคะ ที่ไม่เคยข้ามเพื่อทำพระนิพพานอันไม่ต้องเกิดอีกก็คือทำให้แจ้งพระนิพพานเมื่อแทงตลอดพระนิพพานแล้วก็พ้นจากการเกิดคำว่าหลุดพ้นแล้วหรือพ้นแล้วก็คือวิมุตต์วิมุตตนั้นหลุดพ้นจากการยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราทั้งการมประพบรูปประพบและอรูปประพบไม่เห็นหมู่ขันนี้ว่าเป็นของเราถามว่าไม่เห็นขันว่าเป็นของเราแล้วเห็นเป็นอะไรเห็น ก็คือเห็นว่าเป็นขันอายตนาธาตุอันปัจใยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นเสื่อมคลายไปดับไปเป็นธรรมดานั่นเองก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อปฏิบัติจนถึงความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ข้ามโอขะได้อันนี้ก็เป็นสูตรที่เป็นนิเพทภาคยาสูตรเพราะนิเพธภาคยาสูตร เป็นสูตรที่มุ่งตัดตันหามานะทิฏฐิเป็นสูตรที่มุ่งตัดฉันทราคะเป็นสูตรที่มุ่งเพิกถอนตันหาและอาไลเป็นสูตรที่มุ่งกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้ง พ, พ่อภูณอริยมักจนเต็มเปี่ยมเพื่อแทงตลอดพระนิพพานสูตรเหล่านี้เป็นนิเพทะภากิยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอ น, อนน์เนยนะใน nice, อะไรนะ ในศีลสูตรในะในในอังคุตระนิกายทัศกาลนิบาศกับเอกาทัศกานิบาศ ท, ที่พระองค์บอกว่าดูก่นอนอนุ์ผู้มีศีลไม่ต้องทําเจตนาว่าความไม่วิปัิสานหรืออาวิปัิสานพึงเกิดแก่เราอย่างไรดูก่อนอนนุ์การที่ความไม่วิปัิสานพึงเกิดแก่ผู้มีศีล น, นั้นเป็นธรรมดาถ้าศีลดีเนี่ยนะไม่ต้องขอร้องไม่ต้องอ้อนวอนว่าขอเราอย่าได้เดือดร้อนใจเลย ถ้าศินดีไม่ต้องขอร้องว่าอย่าลำบากใจเลยที่ลำบากใจก็เพราะว่าสินไม่ดีก็ต้องพลาดมาทางกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละจึงเดือดร้อนใจถ้าเจริญกุศลศินได้ดีศินที่เป็นกุศลไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มีสินแต่ถ้าใครอยู่ที่ใดแล้วเดือดร้อนใจบ่อยๆเนืองๆแสดงว่าสินไม่ดีจะต้องมีความผิดพลาดแต่อย่าลืมว่าสินนี่แบ่งเป็นสองพวกคือจารีตศีลกับ ว่าเรียดเสิยนไม่เว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่ทําสิ่งที่ควรทํานี่เดือดร้อนแน่แต่ถ้าทําในสิ่งที่ควรทําเว้นจากความชั่วที่ควรเว้นแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่คิดว่าควรทําสมควรแก่การกระทําอย่างยิ่งถ้าทําได้ตามนั้นอย่างแท้จริงไม่ต้องเดือดร้อนใจอย่างสมมติถ้าคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนะคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรควรทําแล้วก็ได้ทําตามนั้นจริงๆนึกถึงพ่อแม่แล้วเดือดร้อนใจไหม เดือดร้อนใจแหมเสียดายเหลือเกินนัปรนานักนะไม่ต้องมานั่งเสียใจวันหลังเลยใช่ไหมนึกถึงแม่เมื่อไหร่ก็สบายใจเพราะได้ทําบุญไว้เป็นอย่างดีแล้วเนะีเลี้ยงแม่เป็นต้นมาเป็นอย่างดีนึกเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ได้ทํามาบอกแหมนึกถึงแม่เมื่อไหรก่ก็วิวเลยนะวิ ว, ว, ว, ว, วกลวงไปหมดเลยข้างในทะลุโปร่งไปหมดเนี่ยนะว่างเปล่าจากบุญน่ะนะพันก็อนั้งคนที่เจริญกุศลไว้เป็นอย่างดีก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจ หรือผู้ที่เว้นสิ่งที่ควรเว้นพูดถึงตานาทิบาตอทินนาทานเป็นต้นเขาไม่ได้ทํามาอย่างที่วิทูลบันเดต ท, ท่านบอกข้าพเจ้ากลัวทําไมข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปอะไรเอาไว้ไม่เห็นต้องกลัวอะไรสักอย่างเราบอกงั้นดูก่อนอนุน์ผู้ไม่วิปฏิสารไม่ต้องทำเจตนาไม่ต้องคิดว่าปราโมทพึงเกิดแก่เราได้อย่างไรดูก่อนอ น, อนุ์การที่ความปราโมทพึงเกิดแก่ผู้ไม่วิปฏิสารนั้นเป็นธรรมดาปราโมทแปลว่าเปลื้ม คนที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจเนี่ยนะไม่ต้องขอร้องว่าขอให้ข้าพเจ้าปลื้มใจเธอให้ปราบปลื้มกับเข้ามั่งเธอเนี่ยนะไม่ต้องคนที่ไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราบปลื้มมีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปอ้อนวอนมันงถ้ามีความไม่เดือดร้อนใจเดี๋ยวก็ปราบปลื้มผู้ปราโมทยก็ไม่ต้องทําเจตนาว่าปีติพึ่งเกิดขึ้นแก่เราดูก่อนอนน์ การที่ปีติเกิดขึ้นแก่ผู้มีปราโมทนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครปราบปลื้มใจก็ต้องอิ่มใจละ่ะงันถ้าปลื้มใจจริงก็ต้องอิ่มใจดูก่อนอนุ์ผู้มีใจปีติไม่ต้องทำเจตนาว่ากายของเราพึงสงบการที่กายของผู้มีใจเป็นปีติสงบนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนอนต์ผู้มีกายสงบไม่ต้องทำเจตนาว่าเราพึงสวรความสุขได้อย่างไร การผู้ที่มีกายสงบแล้วเสวยความสุขนี้ก็เป็นธรรมดาดูก่อนอนนผู้มีความสุขไม่ต้องทำเจตนาว่าสมาธิพึงเกิดแก่เราอย่างไรดูก่อนอนนการที่สมาธิพึงเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขนั้นเป็นธรรมดาเพราะคนที่รักษาศีลดีเนี่ยนะจะทําใจให้มันสบายให้มีความสุขไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วคนที่มีความสุขเนี่ยนะ จิตจะตั้งมั่นก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้าไปคนที่เจริญกุศลได้ดีได้ยาวได้นานเนี่ยนะไม่ต้องไปนั่งขม่มอ่าอ้ยขอให้มันนิ่งๆบัง่งเถอะไม่ต้องแทบเลยไม่ต้องขอร้องเลยนะความสงบความไม่ฟุง้งซ่านก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาดู ก, ก่อนอนอนลผู้มีสมาธิไม่ต้องทําเจตนาว่าขอเราพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงดูก่อนอนอนลการที่ผู้มีจิตตั้งมั่นรู้รเห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นเรื่องธรรมดา ก็เหมือนกับว่าถ้าตาไม่เจ็บตาไม่ปวดตาไม่พราตาดีตาไม่เละเป็นต้นเนี่ยนะะการมองเห็นภาพถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฉันใดเมื่อจิตตั้งมั่นถ้ามีความรู้เป็นอย่างดีการที่จะพิจรารณาอุปาทานขันห้าเห็นเหตุเห็นปัจจัยของอุปาทานขันห้ารู้ความเกิดดับของอุปาทานขันหาอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดา ดูก่อนอนุ น, น reconoc, ผู้ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ความเกิดความดับของอุปาทานขันห้าไม่ต้องทําความปรารถนาหรือตั้งเจตนาไว้ว่าความเบื่อหน่ายพึ่งเกิดขึ้นแก่เราดูก่อนอนนุ์การที่ผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นความเกิดดับของอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงพึ่งเบื่อหน่ายนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนอนนุ์ผู้เบื่อหน่ายก็ไม่ต้องทําเจตนาว่าทําอย่างไร้ายความคลายกําหนัดพึ่งเกิดขึ้นแก่เราดูก่อนอนนุ์ ผู้ที่เบื่อหน่ายด้วยนิพพิธานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะการที่จะพึงคลายกําหนัดคือบรรลุอริยมรรคก็เป็นเรื่องธรรมดานะท่านิพพิทาเกิดและอริยมรรคก็คือเรื่องธรรมดาด้วยก่อ น, นอนุนผู้คลายกําหนัดเนี่ยนะผู้ที่บรรลุอริยมรรคไม่ต้องทําเจตนาว่าเราเพึงหลุดพ้นคือวิมุตติอริยผลทั้งหลายถ้าบรรลุอริยมรรค ก, ก็ไม่ต้องขอร้องว่าเออมื่อไหร่จะได้อริยผลไม่ต้อง เพราะการที่ผู้คลายกำหนัดคือบรรลุมรักแทงตลอดผลคือวิมุติถือเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนอนอนท์ผู้หลุดพ้นแล้วไม่ต้องทำเจตนาว่าวิมุตติญาณทัศนคือปัจเจเวคขณะยานเกิดขึ้นแก่เราดูก่อนอนอนท์ปัจเจเวคขณะยานเกิดขึ้นแก่ผู้หลุดพ้นถือเป็นเรื่องธรรมดา น, นะมันก็ไล่ตังกัดศีนเนี่ยนะถ้าศีนดีก็ต้อง เกิดอาวิปปิสารถ้าวิปปิสานก็ต้องได้ปราโมทผู้มีปราโมทก็ย่อมเกิดปีติผู้ที่มีปีติก็พึงได้ปัสสัท t h ผู้ที่ได้ปัสสัต t h ย่อมเสวยสุขผู้ที่เสวยสุขย่อมได้สมาธิผู้ที่มีสมาธิย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายผู้เบื่น่ายย่อมคลายกำนัดผู้คลายกำนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วนะ รมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนี่ยนะมันขอให้ไม่ได้ทําตามนั้นเถอดแสดงว่าเราไม่ได้อันนั้นก็แสดงว่าอันต้นต้นไม่ค่อยดีเนี่ยนะไม่ค่อยเจอแต่ว่าตอนนี้กําลังเพาะเม็ดอยู่หมือนกันนะเมล็ดแห่งการตรัสรู้หมือนกันนะกาลังเพาะเมล็ดอยู่เดี๋ยวคอยให้ต้นต้นโพต้นนี้มันโตเถอดเลยนะต้นโพต้นตรัสรู้นี้มันโตเมื่อไหร่แล้วก็สบายแล้วตอนนี้กําลังเพาะเมล็ดพันอยู่ ขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระทำเก้าในทันทีตอนเนี้ยกําลังเพาะเมล็ดอยู่ว่าไงนัะกลุ่มเพาะเม็ดนะแต่ถ้าเพาะเมื่อไหร่ต้นโพต้นนี้โตเมื่อไหร่แล้วก็สบายแน่นแก็บํารุงรักษาให้มันดีๆกันแล้วกันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะอย่าไปทิ้งอย่าไปคว่างอย่าไปตั้งตากแดดให้ลมพัดจนน้าท่วมถอนรากทิ้งซะละ อีกสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเมื่อใดแลโพธิปักธิยธรรมหรืออริยสัจธรรมย่อมปรากฏแก่พราหมณผู้ลอยบาปทิ้งแล้วผู้มีความเพียรเพ่งพินิษด้วยลักคนูปนิชฌานและอารัมณูปนิชฌานเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของบุคคลนั้นย่อมหายไปเพราะมารู้ชัดธรรมคือทุกขสั์พร้อมทั้งสมุทัยสัจคือเหตุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อ อ, อริยสัจธรรมปรากฏหรือเมื่อโพธิปักธิยธรรมเกิดขึ้น แก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้พิจรารณาท่านเหล่านี้กําจัดความสงสัยในขันอาญาตะณะถได้ทั้งปวงเพราะรู้ทุกขกับสมุทัยเป็นอย่างดีรู้จักอดีตเหตุและปัจจุบันผลรู้จักปัจจุบันเหตุและอนาคตผลเมื่อร่บรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะสงสัยอะไรอีกสูตรหนึ่งเมื่อใดโพธิปัจกียธรรมหรือจตุสัจธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พระอาหารหันต์ผู้ลอยบาป ทิงเสรียแล้วผู้มีความเพียรเพ่งพินิษฐ์ด้วยลักขณูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของบุคคล น, นั้นคือของพระอรหันต์นั้นย่อมหายไปเพราะรู้นิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายอันนี้ก็คาถาที่คถาข้างบนเนี่ยเห็นทุกข์กับสมุ ท, ทยัยคถาข้างล่างก็เห็นนิโรธสัจจะเมื่อเห็นนิโรธสัจจะแล้วก็หายสงสัย ก็คือเท่ากับเห็นอริยสัจทั้ง4ี่อีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนติดสะเธอโกรธอะไรเธออยากโกรธเลยความไม่โกรธเป็นสิ่งที่ประเสริฐสําหรับเธอดูก่อนติดสะด้วยว่าบุคคลย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกําจัดความโกรธเพื่อกําจัดมานะและเพื่อกําจัดความลบหลูค่คนผู้อื่น มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระติสาเนี่ยเป็นคนมีมานะมากพระติสานี่ก็ลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าพรบวตมาแล้วแกเป็นคนที่มานะเยอะยิ่งมากถือว่าตัวเองนี่เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือว่าพยองยิ่งใหญ่มากทัานพระพิสุโรูปอื่นมาเนี่ยก็ไม่ลุกรับไม่กราบไม่ไวาไม่อะไรทั้งนั้นพระพิสุท่านก็ต่อว่าเพราะตอว่าก็โกรธโกรธก็ร้องให้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกเธอจะโกรธอะไรเธอยากโกรธเลยความ นะความไม่โกรธนะมันเป็นสิ่งประเสริฐความโกรธไม่ดีรอกเพราะว่าที่ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลที่เจริญก็เพื่อกําจัดความโกรธนี่แหละแต่ที่เธอโกรธทําไมเธอจึงโกรธก็เพราะเธอมีมาน ะ, ะนะถ้าเธอไม่ลําพองเธอไม่โกรรอกและที่เธอโกรธก็เพราะเธอเนี่ยลบหลู่คุณของผู้อื่น อนานะถ้าเธอบูชาคุณของผู้อื่นถ้าเธอไม่ย่อหยิงเธอไม่โกรธอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นเธออยากโกรธเลยแบบนั้นประพฤติบุญงามคุณงามความดีเจริญบุญกุศลอันเวลาเจริญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีให้ทางรักษาศีลหรือแม้กระทั่งฟังธรรมเป็นต้น ต, ตั้งเจตนาไว้เลยว่าขอบุญกุศลเหล่านี้จงตัดความโกรธเธอจงเป็นอุปนิสัยอย่าให้ความโกรธมันลุกมันลามอย่าให้มันท่วมมันทับเลยเนี่ยนะ นะให้ทานรักษาศีลแต่ละครั้งตั้งความปรารถนาเลยไอ้กิเลสตัวไหนมันกำเริบเสพสารที่สุดเนี่ยนะทำบุญแต่ละครั้งเอาเล่นงานตัวนั้นแหละก่อนอันถ้าโกรธบ่อยๆก็ให้ทานเสร็จเขาขอจงบุญอันนี้จ ง, จ, งจงเลิกเครียดเลิกโกรธสทัทีรักษาศีลเนี่ยเขาเดี๋ยผลแห่งรักษาศีล น, นี่ก็จะได้โกรธอีกเลยเนี่ยนะความโกรธมันเรวจริงๆนะมหาเร็วโคตรเร็วเลยนะอันถ้ารัรกเจริญภาวนาฟังทำเป็นต้นทำยังไงก็ได้แตตั้งความปรารถนาชิงชังเกลียดไอ้ความโกรธที่อยู่ในใจ อย่าไปโกรธคนอื่นก็นแล้วกันนะคนอื่นเขาจะโกรธเข้าก็น่าสงสารแต่ว่าไอ้ความโกรธของตัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องรีบกําจัดภาคเพียงที่จะกําจัดทําอย่างไร้ายจะกําจัดความโกรธได้เร็วที่สุดอีกสูตรหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนัน tha เนี่ยแต่งตัวมาสัก ง, งามเลยนะประดับประดาตกแต่งอนนก็พระแต่งมาจะขงงามแค่ไหนก็เหมือนท่านนะทีนี้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าชมก็จะให้อะไรนะจะบอกว่ า, วาเอาจะทําแบบนี้ต่อไป ทีนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าว่าตรัสว่าเมื่ อ, อไรเนอะเราจะได้เห็นนันทะผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดเลี้ยงอัตภาพด้วยการเที่ยวบินทบาทโดยทำตนไม่ให้คนรู้จักไม่เพ่งเล็งในการมทั้งหลายนะพระองค์ก็บอกว่าใจจริงของพระองค์เนี่ยอยากให้พระนันทะเนี่ยอยู่ในทุดงคุณ แล้วก็ไม่ใช่ไปที่ไหนก็โชว์ตัวเนี่ยนะโอ้ยทําไมใครไม่รู้จักเราเลยไม่ต้องทําตัวโชว์ตัวรอ้องนะไม่ต้องมีใครทำแต่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะต้องรู้จักเราหรือไม่แล้วก็อย่าปรารถนาการมอย่าปรารถนาวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมทั้งหลายพระองค์บอกเมื่อไรนะเราจะได้เห็นแบบนั้นก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีเลยนะพระองค์บอกว่าเมื่อไหรจะเห็นแบบนั้นพระนันทาท่านก็แน่จริงๆนะพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านก็ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการในที่สุดพระนันทาก็เป็นพระอรหันต์ มีอยู่ครั้งหนึ่งพรามหมณ์นี่เขาไปหาเรื่องพระพุทธเจ้าก็าโกรธพระพุทธเจ้ามากคือคือที่เขาโกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเขามีแม่บ้านแม่บ้านของเขาเป็นพระโสดาบัานพอทําอะไรสะดุดนิดหนึ่งก็นะโม ต, ต, ตัสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะพอทําของตกนิดหน่อยอะไรก็นะโมอยู่นั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งเขาจะเลี้ยงพราหมณ์ทีนี้ตอกนี่หล่อนถ้าเธอทําให้ฉันขายหน้าฉันจะฆ่าเธอทิ้งชักดาบมาขูก็บอก นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเธออยากอุทานนอบน้อ ม, อมสมนนะโลนีกต่อไปก็บอกจะฆ่าก็ฆ่าสิแต่ให้เลิกทําไม่ได้โกรธมากเลยโกรธจัดนี้อยู่วันหนึ่งกําลังเลี้ยงเลี้ยงพรามอยู่นั่นแหละก็เดินไปสะดุดพอเดินไปสะดุดไอ้ทัพพีมก็ตกลงทัพพีตกลงก็นะโมตัสสะพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะโกรธมากไม่รู้จะทํำยังไงไอ้พวกที่พรามพวกพรามที่มาบริโภคอาหารที่บ้านก็โกรธลุกหนีกันไปหมด โกรธมากมอ่ะเมียนี่ก็ไม่ยอมเลิกก็จะฆ่าก็ตายทําไงดีเขาบอกไปหาเรื่องด่าพระพุทธเจ้ า, าดีกว่าไปถึงไอการที่จะด่าคนเนี่ยนะถ้าเขาไม่มีความผิดไม่รู้จะไปด่าว่ายัางไงเอาไปหาว่าเออถ้าเราถามว่านี่พระสมณะโคดมฆ่าอะไรจะได้จริงจะอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จริงจะไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์นี่ชอบใจการฆ่าอะไร คือคือหาจริงๆเนี่ยไปหาเรื่องนะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าฆ่าอันนั้นสิฆ่าอันนี้สิจะได้ช่องจะได้ด่าให้สมใจอยากด่ามานานแล้พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงจะไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหม์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธที่มีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าความโกรธนั้นแล้วย่อมไม่เศร้าโศกแกก็เริ่มสายบวชเลยบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ พอบวชเป็นพระอาหารนะสายเนี่ยตระกูลนี่ขี้โกรธทั้งหมดเลยนะพอพี่ชายบวชเป็นพร า, าหารัรล้องชายก็มาด่าพระพุทธเจ้าก็ด่าเสร็จก็บอกว่ามาด่าที่ให้พี่ชายบวชนะะโกรธมากด่าพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ์ท่านเคยมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านไหมบอกเคยเอาเวลาแขกมาเยี่ยมที่บ้านท่านเคยจัดอาหารต้อนรับเขาไหมบอกเคยแขกเขาไม่กินมีไหมบอกมีและของนั้นตกเป็นของใคร ก็ของข้าพเจ้าสิ่ระมาณเออนั่นแหละที่ท่านมาดา่าเราก็ไม่ได้รับของท่านหรอก <c oughs> นะถ้ท่านโกรธก็ของท่านคนเดียวนั่นแหละมาณก็น้องชายก็บวใี ก, กันตอนหลังก็เป็นพระรหันต์แต่ว่าสายนี้เขาสายพันธุ์ขี้โกรดนั่นนะแต่ก็ในที่สุดก็บรรลุพอดีไปโกรธเจอคนดีเข้าไปได้เกี่ยวข้องกับพระรหันต์ในที่สุดก็บรรลุได้ท่านพระองค์จึงบอกว่าฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่โกรธสัอย่างเดียวเนี่ยมันอะไรจะสบายเท่ากับความไม่โกรธอีกแล้วเนี่ย ถ้าเขาค่าเราถ้าเขาถ้าเราไม่โกรธสัอย่างเดียวอะไรจะประสบปานนั้นเนี่ยนะถ้าเราเจ็บถ้าเราไม่โกรธสัอย่างเดียวมันก็สบายแต่ถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยแหมพระองค์บอกว่ามีรากเป็นพิษแต่ยอดหวานพราะเวลาโกรธแล้วมันเมามันเนี่ยนะแต่พอได้ด่านี่มันความสุขมากนะขณะที่โกรธนะถ้าความโกรธแล้วได้ซัดไอ้นคนที่เราโกรธเต็มที่เนี่ยมันสะใจจริงๆถ้าหายโกรธเท่านั้นแหละแหมแทบจะเป็นลมเลยทําได้ยังไงเนี่ยนะ อะไรนะที่เรียกแค่กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมตอนโกรธแม่หวดแม่เข้าไปซัดเข้าไปเนี่ยหูยสะใจจริงๆตายซะได้ก็ดีเสร็จแล้วพอกินข้าวอิ่มเท่านั้นน่ยหายโกรธเข้ามาแม่เหมัอนกันนะนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้เลยมันบางคนเนี่ยมันทะเลาะบอแวงกันเนี่ยนะซัดกันอีกฝ่ายหนึ่งซัดเขาเลือดท่วมปากไปหมดพอหายโกรธขึ้นมาบอกไม่น่าเลยไม่น่าเลยในความโกรธนี่ยอดมันหวานแต่ว่ารากมันเป็นพิษนะก็เหมือนกับดื่มน้ําอะไรนะดื่มยาพิษผสมน้ําหวานนี่แหละ ดืมนี้มันอ ร, อร่อยจริงๆแต่พอหลังจากที่มันพิษมันกําเริบแล้วบอกโอ้โหโเหลวอรายเหลือเกินมั้นถ้าหากว่าฆ่าความโกรธเหล่านี้ได้ก็ไม่เศร้าโศกไม่ต้องโศกอีกต่อไปเพราะคนเลิกโกร ก, ก็เลิกโศกนั่นแหละไอ้ที่โศกก็เพราะมีความโกรธเจือปนอยู่นั่นแหละเทวดาถามว่าควรฆ่าอะไรที่ฟุ้งขึ้นในตนควรบรรเทาอะไรที่เกิดในตนนักปราชญ์ควรละอะไร การรู้อะไรเป็นเหตุนำสุขมาให้พระพุทธเจ้าบอกว่าควรฆ่าความโกรธที่ฟุ้งขึ้นในตนควรบรรเทาราคะที่เกิดในตนนักปราชญ์ควรละอวิชาการรู้สัจจะทั้งสี่เป็นเหตุนำสุขมาให้เห็นชัดเลยนะถ้าเราจะฆ่าฆ่าเป็นชอบฆ่าในี่ยฆ่าอะไรดีบอกฆ่าความโกรธนั่นแหละ ดีที่สุดถ้าจะบรรเทานะบรรเทาตัณหาที่เกิดในใจถ้าจะละก็ละอวิชชาถ้าจะรู้ก็ขอรู้อริยสัจถ้าทําตามนี้ได้ก็สุขอย่างเดีย ว, วนะจริงก็ค่าทางง่ายๆเนี่ยนะท่านน่าจะเอาไปปฏิบัติตามะนะถ้าใครบอกว่าชัดถือหลักการปฏิบัติอะไรบอกหนึ่งฆ่าความโกรธที่เกิดขึ้นในตนสองถ้าราค่าเกิดขึ้นบรรเทาก็กําจัดอย่างเดียวสองละอวิชชานี่แหละถ้าจะรู้ก็ขอรู้สัจจะนี่นะนี่แหละถ้าถือจะถือเอาเป็นข้อปฏิบัตินะ จริงก็ย่อมงคลมานั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ในมงคลที่เราสวดเมื่อเช้านะขันตีจะก็ไม่โกรธนั่นแหละราคาก็คือพรหมจันทร์ละอวิชาก็เห็นอริยสัจใช่ไหมพระอรหันต์คือผู้ที่รู้อริยสัจมันถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็เจริญอย่างเดียวอีกสูตรหนึ่งเทวดาเขาบอกว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่เพื่อละกามราคะดุดบุคคลผู้ถูกปักนะหรือถูกหอกเนี่ยปักแทงอยู่ หรือต้องเพียรพยายามเพื่อละราคะดุดบุคคลที่ถูกไฟไม่บนศีรษะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่เพื่อละสกายาทิฏฐิดุดบุคคลผู้ถูกแทงด้วยหอกเหมือนบุคคลผู้ถูกไฟไม่บนศีรษะพยายามเพื่อจะดับไฟนะเทวดาวก็บอกให้เป็นอนาคามีพรวดไปเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระโสดาบันกรอนนะ กเรียกว่าปฏิบัติเพื่อกำจัดส ก, กายาธิฐิถอนส ก, กายาธิฐิความสำคัญว่าเป็นอัตรารูปเป็นรูปเป็นอั ต, ตารเตตารปเป็นต้นให้ได้ซะก่อนเทวดาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทรัพย์สมบัติที่บุคคลสั่งสมไว้ทั้งปวงมีความหมดสิ้นไปเป็นที่สุดหมู่ผลไม้ทั้งปวงมีการตกหล่นไปเป็นที่สุดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยั่งยืนเพราะสัตว์ทั้งปวงล้วนมาสู่ความตายบุคคลเมื่อแลเห็น ไทยคือความตายอย่างนี้แล้วพึงทําบุญทั้งหลายเพราะบุญทั้งหลายนําความสุขมาให้อันนี้เป็นคําของเทวดาบอกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเมื่อก่อนจะตายเนี่ยทำบุญให้มันได้ดีทําบุญให้มากๆจะได้เป็นปัจจัยแห่งความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสมบัติที่บุคคลสั่งสมไว้ทั้งปวงมีการหมดสิ้นไปเป็นที่สุดหมู่ผลไม้ทั้งปวงมีการตกหล่นไปเป็นที่สุดชีวิตของสัตว์ทั้งปวงไม่ยั่งยืนเพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนมาสู่ความตาย บุคคลเมื่อแลเห็นภัยในความตายอย่างนี้แล้วก็มุ่งสู่กามุ่งสู่พระนิพพานอันเป็นที่ระ ง, งับสังขารเพิงละโลกามิเตียกันเรียกได้ว่าพระเทวดามีอัธยาศัยวัตตะใช่ไหมก็มุ่งวัตตะเธอพระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยวิวัตะเพื่อแทนตลอดอริยสัจพระองค์ก็ชักชวนเพื่อให้เห็นอริยสัจนะนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันคาถาว่าภิกษุทั้งหลายในาศาสนานี้ย่อมอยู่เป็นสุข จิตของภิกษุเหล่าใดยินดีในฌานภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่เศร้าโศกภิกษุผู้มีปัญญามีใจตั้งมั่นปรารบความเพียรมีจิตอันส่งไปถึงนิพพานย่อมข้ามโอคะที่ข้ามในยากเห็นไหมมีปัญญาก็อะไรสัมมาทิฏฐิใจตั้งมั่นก็สัมมาส ม, มาธิปรารบความเพียรก็สัมมาวายามะตั้งอุปนิสัยสละไม่อะไรในร่างกายและชีวิตส่งไปถึงพระนิพพาน ถ้าอย่างนี้ก็ข้ามสมุทัยสัตว์ได้ภิกษุนั้นเว้นจากการมสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นตันหาสิ้นพบไม่จมลงในมหาสมุทรอันลึกคือวัตตะสงสารคาถาเหล่านี้ก็เป็นคาถ า, าที่ประกาศการมุ่งการละกิเลสมุ่งการทำให้แจ้งแทงตลอดมักผลและนิพานวันใครที่มีอัธยาศัยอยากบรรลุบรรลุเนี่ยนะก็ท่องจาคาถาประเภทนิเพทภาคยสูตรเอาไว้ให้ดี เขาบรรลุอะไรเขาบรรลุอย่างไรเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งบอกว่าบุคคลผู้เชื่อทำแห่งการบรรลุนิพพานของพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ตั้งใจฟังธรรมไม่ประมาทเป็นคนฉลาดย่อมได้ปัญญาเพราะว่าผู้ที่มีความเลื่อมใสใช่ไหมเลื่อมใสตั้งใจฟังธรรมไม่ประมาทได้ฟังธรรมของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ย่อมเกิดปัญญาบุคคลผู้ทําเหตุอันสมควรไม่ทอดทิ้งธุระ มีความบากบัน่นย่อมได้ทรัพย์ทั้งอะไรโลกิยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์ย่อมได้รับโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ย่อมได้เกียรติยศ ด, ด้วยสั จ, จะย่อมผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้บุคคลผู้มีศรัทธาเป็นต้นไปแล้วจากโลกนี้สู่ปรโลกย่อมไม่เศร้าโศกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคถาที่พระพุทธเจ้าตอบนะว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาใช่ไหมผู้ที่มีศรัทธาตั้งใจฟังอยู่ด้วยความไม่ประมาท ฟังแล้วก็ใคร่ครวญส่งจิตไปตามกระแสธรมย่อมได้ปัญญาผู้ที่มีความผู้ที่มีความบากบั่นไม่ทอดทุระทาสมควรแก่เหตุย่อมได้ทรัพย์หมายคาอว่าถ้าทํากิจการอะไรทําแต่พอเหมาะสมทําถูกวิธีใช่ไหมก็ย่อมได้ทรัพย์เหมือนกับการหาโพกซัพย์ก็เหมือนกันถ้าสแสวงหาอย่างถูกวิธีก็ได้โพกซัพย์ผู้สแสวงหาอริยซัพย์ถ้าทําอย่างถูกวิธีก็ย่อมได้ อริยทรัพย์บุคคลที่มีเกียรติยศทั้งหลายก็เนื่องจากมีสัจจะานั้นคนที่มีวจีสัจจะเป็นต้นย่อมได้เกียรติยศและการให้ทานผู้ให้ย่อมผูกมิตรเอาไว้ได้นะถ้าให้การให้นี่เป็นการผูกมิตรเอาไว้ส่วนผู้ที่มีศรัทธาถ้าจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้าเดือดร้อนไหมแม่ชาติที่แล้วทำบุญไว้น้อยไปหน่อยต้องเศร้าใจไหมถ้าสมบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นต้น ถ้าทําบุญไม่ดีชาติหน้าเนี่ยนะสมมติว่าเกิดมาชาติหน้าสมมติทิ้งต่างว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเกิดชาติหน้าแล้วลึกชาติได้หมดเลยจําชาติชาตินี้ได้หมดเลยเราจะดีใจหรือเราจะเศร้าใจเนี่ยดีใจว่าอู้ชาติที่แล้วนะสมัยนั้นนะชาติที่แล้วฉันไม่เห็นมีอะไรทํางทำมาพร้อมทำมาดีเหลือเกินพอใจภูมิใจมากเนี่ยนะยมเล็กนะชาติหน้าเนี่ยนึกว่าชาติที่เป็นยมเล็กเนี่ยภูมิใจไหม คิดเอากันแล้วกันนะว่าภูมิใจหรือเปล่าเนี่ยนะแมแหมมันน้อยไปหน่อยเสียดายก็เกินนะทำไมตอนนั้นประมายูแท้เนี่ยนะคงไม่พูดอย่างนี้ไม่ตำหนิตัวเองใช่ไหมมีแต่ชื่นชมโอ้นั่นก็ดีแล้วนั่นก็ถูกต้องนั่นก็เหมาะสมโอ้ตําำหนิตัวเองไม่ได้เลยนะอีกสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าการสอนบุคคลอื่นด้วยโทสะจิตไม่ใช่ความดีสำหรับท่านซึ่งเป็นสมณะละกิเลสเครื่องร้อยรับทั้งปวงแล้วพ้นจากกิเลส ก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอุ้ยเป็นนักพูดนักสอนแต่ว่าสอนทุกครั้งสอนด้วยโทรศะแกนี่มันโง่แกมันไม่รู้แกมันเลวทำไมปัญญามันน้อยจังพูดอย่างนี้ทำเป็นไม่เข้าใจทำไมไม่สนใจฟังยิ่งพูดก็ยิ่งโกรธโกรธแต่และลักษณะนี้เรียกว่าไม่สมควรรอกไม่ดีรอกว่าไ ง, งดูก่อนท้าวสัก ก, การอยู่ร่วมกัน ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งผู้มีปัญญาไม่ควรที่จะไม่ช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ร่วมกันนั้นแม้ด้วยใจเพราะคนที่มีปัญญาจริงๆเขาก็มุ่งที่จะสงเคราะห์มุ่งที่จะเกือ้อกูลมุ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันถ้าบุคคลผู้สอนผู้อื่นด้วยใจผ่องใสมีใจกรุณาบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยสังโยชน์เพราะเหตุนั้น แต่ประกอบด้วยเมตตาและกรุณาถ้าหากว่าจะสอนคนอื่นก็อย่าสอนด้วยโทสะอย่าแนะนําผู้อื่นก็อย่าแนะนําด้วยความโกรธความเครียดความอึดอัดความลําบากความคับแค้นถ้าจะแนะนําตักเตือนผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นก็ควรทําด้วยเมตตาน้อมนําให้ผู้อื่นประสบแต่ประโยชน์และความสุขด้วยกรุณามุ่งที่จะบําบัดความทุกข์ของผู้อื่นส่วนเนติปกรณ์ในวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้